มีความจุ ก, กันทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอากาศที่ปกคลุมลมรื่นลมเย็นประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ได้สูญเสีย อ, องค์พระมาหากษัตริย์ไทยผู้มีพระคุณมากมาย่อันเป็นที่รักยิ่งของพวงชนชาวไทยของเรามีโอกาส โอกาสเราก็ได้สร้างคุณงามความดีตอบแทนบุญคุณของท่านที่ได้มาอาศัยบา ร, รมีของพระเจ้าอยู่หัวองค์ภูมีพลอดุลเดชในภูรุมโกรซึ่งในสวรรคตไปก็ได้วันสองวัน <c oughs> ชาวไทยของเราก็ไปสูญเสีย บุคคลที่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงทีเดียวพวกเราก็พยายามหมั่นสร้างคุณงามความดีตอบแทนองค์ท่านให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองให้มากมายพระองค์ท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ของราชได้ยาวนานเกตสิบปมากกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใด ในประเทศไทยแล้วก็ในโลกด้วยแล้วก็ได้สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติปันเมืองให้กับประชาชนของท่านมากมายให้อยู่ดีมีความสุขพวกเราก็พยายามมั่นสร้างคุณงามความดีตอบแทนท่าน ประพฤทปฏิบัติอยู่ในบุญในกุศลก็ เ, เป็นสิ่งที่ตอบแทนบุญคุณของท่านที่ท่านได้าปารภที่ท่านได้กระทำมาให้เห็นเป็นตัวอย่างในการสร้างาประโยชน์สร้างคุณงามความดีให้กับผวงชนชาวไทยของเรา เป็นวันที่ทั้งประเทศทั้งชาวโลกต้องสูญเสียโศกเศร้าในสิ่งที่ไม่อยากจะให้เกิดก็เกิดนี่แหละแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ถึงวาระถึงเวลาท่านก็ต้องได้จากไปพวกเราก็เหมือนกันถึงเวลาก็ต้องได้ไปแต่ก่อนที่จะหมดลมหายใจ นี่ก็พยายามสร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีนี่ให้กับตัวเราให้กับประเทศชาติปันเมืองแม้แต่เล็กๆนโน้ยเราก็อย่าไปปล่อยเวลาทิ้งอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ชุงสุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าอยากโยมก็พากันไว้ทุกข์ มนภาวนาอุทิศบุญกุศลให้ดวงวิญญาณของพระเจ้าโยหัวได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์ตามปกติท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีไว้มากมายอยู่แล้วไม่ได้กังวลอะไรชีวิตของท่านไม่ได้ตกอับ เป็นบุคคลที่มีบุญมาก่อนถึงได้เกิดมาในตระกูลที่สูงได้เป็นผู้นำพาประเทศชาติให้ได้อยู่ดีมีความสุขเกิดเหตุการณ์หลายสิ่งหลายาอย่างในแต่ละวันเห็นว่าพระอาทิตย์ก็ทรงกดพระจันทร์ก็ทรงกดมีพระจันทร์ยิ้มเป็นรูปหัวใจให้กับทุกคน เราก็พยายามดำเนินรอยตามในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ทำให้จิตใจมีความสุขโชคเราโชคดีที่ได้เกิดมาในประเทศชาติที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปธรรมพุทธศาสนาเป็นองค์ที่ สมมาทิฏฐิมีความเพ็นถูกในหลักธรรมนำพาปวงชนชาวไทยเข้าไปสู่ความสงบความสุขความจเจริญรุ่งเรืองตลอดมาพวกเรามีโอกาสก็พยายามสร้างคุณงามความดีถวายในหลวงอของเรา ญาติยโยมที่มาจากระยองที่มาจากโยมทานินมาหลายวันหลวงพ่อขอขอบใจขอบคุณทา ง, งโรงแรมโคสะก็ให้คุณชายก็ได้ให้บริวารมาช่วยมาช่วยงานนน้นบ้างงานนี้บ้างในวัดของเราได้ทำบุญให้กับบริวารได้มา ให้บริวารได้มาสร้างบุญสร้างประโยชน์ให้กับมหาชนฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเราเป็นการบำเพ็ญบุญหลวงพ่อขอขอบใจขอบคุณทุกคนและก็หัวหน้างานผู้บริหารงานที่ได้มีจิตอาสาความเพียละ มาช่วยหลวงป อ, อ, อขอขอบคุณทุกคนขอบใจทุกคนมีอะไรก็ช่วยกันที่พักที่อาศัยที่รับพี่นอนเราพออยู่อาศัยอยู่ได้อยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็อย่าให้ใจของเราเกิดความลำบากอย่าให้กายของเราเกิดความลำบากมีอะไรเราก็ช่วยกัน จิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้ทุกข์เรารู้จักแก้ไขเราปรปับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลามีอะไรเราก็ช่วยกันทำพระก็เยอะขี่ก็เยอะมีอะไรเราก็ช่วยกันทำ ทางญาติโยมผู้จริงก็ขอฝากกันไปช่วยทั้งแม่ชีทำดอกไม้นี่จะได้ประดับแท่นพระสิบวันี่ให้ทันการทันเวลาภายในอีกอีกสองเดือนอีกสองเดือนอีกสองเดือนกว่าก็จะได้อัญเชิญพระสิวัีมาปฏิฐานองค์ใหญ่ไว้ที่แท่น ก็พากันทำดอกไม้ช่วยกันเปลือเป็นเครื่องประดับพระเราชีเราก็ช่วยกันอย่าพากันงอมืองอเท้าอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ช่วยกันทำอ๋อเบีความจุกขกันทุกคนวันนี้อากาศสดชื่นดีเนาะเตวดาล่อยน้ำทิพย์ลงมา งคงจ่เป็นทั่วประเทศอากาศรมรืนรมเย็นได้ส่งดวงวิญญาณของพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราได้ส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติท่านได้สร้างบุญมาดีมากมายองค์พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชในพระบรมโกร ซึ่งท่านก็ได้สวรรคตไปเมื่อได้สองวันเนอะเมื่อวานหรือวันก่อนวันก่อนหรือเมื่อวานวันก่อนก็ได้สูญเสีย อ, อันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติบ้านเมืองของเราไม่ว่าบุดรชนคนธรรมดาพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีการพัดพรากจากกัน ไม่ตอนเป็นก็ตอนตายนี่แหละความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาไม่ได้เลือกว่าประชาชนหรือพระมหากษัตริย์ถึงวาระเวลาก็ต้องได้จากไปจากไปตอนเป็นตอนตายขณะที่ยังไม่ลมหายใจอยู่เราพยายามมันสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นพวกเราก็พลอยได้รับประโยชน์ ในสิ่งที่พวกเราทำก็คือคุณงามความดีฝากเอาไว้ในใจของเราการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาติบ้านเมืองก็หลายเที่ยว ก, ก็หลายครั้งที่ในในยุคของพวกเราก็สมเด็จย่าก็องหนึ่งท่านหนึ่งตาพี่นางก็หลายคนหลายท่าน จนกระทั่งถึงวะละเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปรบรมโกฏของพวกเราอืพวกเราก็พยายามหมัดสร้างคุณงามความดีตอบแทนท่านที่ท่านได้นาพาประเทศชาติบ้านเมืองให้ได้มีความสุขความเจริญให้มีความร่มรื่นลมเย็นพวกเราก็พากันประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของท่านให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้มีความสงบสุข มีความเจริญทำได้ตามกำลังสติปัญญาของพวกเราให้อยู่ในคุณงามความดีให้อยู่ในกองบุญให้อยู่ในกองขูสล น, นี่แหละบุคคลที่มีบุญได้มาเกิดได้สร้างบุญมาดีก็ได้มาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ ก็ได้นำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่ในความสงอบอยู่ในความสุขความร่มรื่นร่มเย็ น, นที่ท่านได้ของราชมาก็เกติบปิเกติปีประเทศชาติบ้านเมืองบ้านเมืองอื่นประเทศอื่นก็ ร, รบราคาฟันกันหาความสงบสุขก็ไม่ค่อยจะมีดังที่พวกเราได้ยินข่าวได้ทราบข่าวทั้งอพยพทั้งลีภยัย โชคดีที่พวกเราได้มาอาศัยพึ่งบุญบา ร, รมีของท่านอยู่ไม่มีความเดือดร้อนเหมือนกับประเทศชาติบ้านเมืองอื่นถึงมีความเดือดร้อนก็มีเม่มักหมายก็แก้ไขกันได้เป็นประเทศชาติที่มีบุญมีบุญใหญ่ในบุคคลที่มีบุญมาช่วยดูแล ในเมื่อท่านจากไปพวกเราก็พยายามมั่นสร้างคุณงามความดีตอบแทนบุญคุณของท่านชมดังเกตนาของพระเจ้าอยู่หัวได้ผานำทางมาจะได้ ประเทศชาติบรรเมืองก็จะได้มีความสงบสุขความร่มรื่นร่มเย็นพวกเราอยู่ก็อย่างประโยชน์ถวายแด่ในหลวงซึ่งอยู่ในพร ะ, รพระบรมโกศของพวกเราสมดังเจตนารมณ์ของท่านให้สืบต่อไปนี่แหละการสร้างคุณงามความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนให้สร้างทึอะ ทําใจให้เป็นบุญทําใจให้มีพรมเมหานมีความเมตตามีความเพียรละดังพระเจ้าอยู่หัวได้พาดําเนินมาตลอดตั้งอายุขัของท่านจนกระทั่งถึงวาระหมดลมหายใจการสร้างคุณงามความดีไม่สูญหายไปไหนอยู่กับพวกเราทุกคนอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาติพันเมือง ต่อไปก็คงจะไม่มีอะไรมากมายคนที่อยู่ก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็ไม่คงจะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆก็คงจะมีในความสงบความร่มรื่นร่มเย็นสืบต่อไปในวันข้างหน้าพวกเรามีโอกาสก็ได้สร้างคุณงามค ว, ความดีตอบแทนบุญคุณประเทศชาติบ้านเมืองพวกเรา ก็ได้มาํำเพ็ญมาทาบุญกันห้องพ่อก็ขอขอบใจทุกคนขอบใจหน่วยงานต่างๆที่ให้ปริวารมาช่วยทางโรงแรมโคสะก็ให้ปริวารมาช่วยช่วยโนนบ้างช่วยทำอันนี้บ้างอะไรที่จะเป็นประโยชน์เห็นเช้านี้เห็นว่าจะกลับวันพรุ่งนี้วันนี้อีกวัน กันช่วยเอาหลังไม้ที่อยู่ฝั่งตะวันออกอหลังไม้ที่ใส่กระเบื้องมาที่กองอยู่ฝั่งตะวันออกช่วยกันเอาใส่รถเข็นออกไปเผ า, เาทางด้านหน้าด้วยช่วยกันหยัดโยมที่มีกําลังโยมผู้ชายนโยมผู้หญิงก็ไปช่วยกันทําดอกไม้เครื่องประดับเพื่อที่จะประดับแทนองค์พระศิวลี มากันหลายคนหลายท่านเห็นว่าทางรอยยองก็จะกลับวัณนนิชแค่ไหมหลวงพอ่อขอขอบใจผู้นำหัวหน้างานที่ได้ตำบุญให้กับบริวารให้บริวารได้มาฝึกผลตนเองเอได้ให้บริวารมาสร้างบาร ม, มีเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเราก็ทำอยู่ที่ทำการทำงานเราก็ทำ สร้างคุณงามความดีจากภายในแล้วก็จะล้นสู่ภายนอกการกระทำของเราให้ถึงพร้อมก็จะเกิดประโยชน์เห็นว่าได้ยินข่าวทางเห็นยกใหญ่ที่จะมาแกะองค์พระพุทธ ร, รูปใหญ่ประดิษฐานไว้ในมหาเจดีย์ของพวกเราเดี๋ยวนี้เข้ามาถึงเมืองไทยมาเทียบถ่าที่เมืองไทยแล้ว เห็นว่าวันที่19คงมาถึงวัดคงจะมาถึงวัดมีโอกาสก็มาร่วมมาช่วยกันมารับก่อนหินยาขาวหินยกเพื่อที่จะมาแกะเป็นองค์พระพุทธรูปใหญ่เป็นประธานใหญ่ในมหาเจดีย์เป็นองค์แทนของพระพุทธองค์เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นองค์แทนของพระพุทธองค์ ไว้ในมหาเจดีย์ขอเชิญพี่น้องเรามาช่วยกันรับมาช่วยกันดูแลมาช่วยกันสร้างคุณงามความดีไม่ว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้รีบทําขณะที่กําลังกายยังแข็งแรงอยู่จะพากันผัดวันประกันพรุ่ง ลมแล้ลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่อยู่ตลอดเวลาสักวันเราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันในวันที่หินที่จะมาถึงวัดอยากยมท่านใดอยากจะมาตั้งโรงทานก็มานะวันที่ยี่สิบจะยกลงวันที่ยี่สิบเช้าที่ยี่สิบก็จะได้เอารถเขนใหญ่มายกหินยกขาวหลงไว ที่ทางด้านฝั่งตะวันออกหน้าบ้านคุณหมอพอดีก็จะค่อยแกะช่างในช่างใหญ่ก็จะมาค่อยแกะค่อยตัดแล้วก็ไปประกอบเป็นองค์พระพุทธรูปใหญ่เห็นใบใหญ่กว่าองค์ที่อยู่กลางป่าเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ค้นพบแนวทาง แล้วก็ออกมาเปิดเผยให้สัตว์โลกได้เดินตามให้เข้าใจในหลักธรรมในหลักของชีวิตเราพุทธองค์ดานสอนเรื่องอะไรเราต้องทำความเข้าใจ ท่านสอนเรื่องอัตตาอนัตตาสอนเรื่องหลักของความจริงของชีวิตหลักของอริยสัจสนี่การดำเนินวิธีการแนวทางที่จะให้เข้าถึงความสะอาดความบริสุทธิ์ของใจท่านบ่งบอกเอาไว้หมดหการเจริญสติเป็นอย่างนี้การเจริญปมวิหารหการสร้างตะบะสร้างบารมีเป็นอย่างนี้การทำความเข้าใจจิตปัญญานในกายของเราเป็น อย่างไรวิญญาณในขันห้าเป็นอย่างไรการเจริญสติเข้าไปแยกรูปแยกนามเป็นอย่างไรการละกิเลสยาปิเลสละเอียดเป็นอย่างไรในกายของเรานี้มีอะไรบ้างท่านจำแนกแกะแงงมาให้พวกเราได้เห็นดังที่พวกเราได้ทำบัดสวดมนต์นเช้าสวมดมนต์เย็นก็อยู่ที่กายในกายในใจของเราหมดพวกเราจงออกไปประพฤติไปปฏิบัติ ให้สมเจตนารมณ์ในคาสอนของท่านให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราบุญก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราบุญไม่ได้อยู่ที่ไหนโรอกอยู่ที่กายวาจจแล้วก็อยู่ที่ใจของเราการสร้างคุณงามความดีแต่ละวันตื่นขึ้ น, นมาเราสำรวจใจของเรามีความใจของเรามีความเทสละ มีความรับผิดชอบมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่ามีทิฏฐิมีมรณะการเกิดคงใจใจส่งไปภายนอกได้อย่างไรการดับกัรละอย่างไรการแยกรูปแยกนามอย่างไรคำว่าวิญญาณในขันห์เป็นอย่างไรถ้าเรายังแยกแยะไม่ได้เราก็เข้าใจอยู่ในระดับของสมมติการทำบุญให้ทานการสร้างบารมีส่วนอื่นนั้นทุกคนสร้างกันมาดี แต่การทําความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรมากทีเดียวขยันหมั่นเพียรในการขัดเกลาในการเอาออกในการสังเกตในการวิเคราะห์ในการหมั่นพร่ำสอนใจของตัวเราให้อยู่ในบุญในกุศลให้ใจของเราอยู่ในความสะอาดให้ใจของเราอยู่ในความบริสุทธิ์เพราะว่าใจเดิมนั้นเขาบริสุทธิ์ เขาหลงมาเขาหลงหลงได้ยังไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หลงเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อ น, นั้นเราอย่าเพิ่งไปนั่นถึงเขาเลยเรามาดูวิญญาณในกายของเราให้เห็นจะกอดเราจึงจะรู้การดับการเกิดการดับการเกิดซึ่งเป็นส่วนนามมาทำอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามใจของเราหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิด เราลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์แล้วก็มาเป็นธาตุของอารมณ์ธาตุของเกเรตโตท่านถึงให้เจริญสติลงที่กายของเราเขาไปอบรมใจของเราจนกว่าใจของเราจะแยกแยะแยกรูปแยกนามได้เดินปัญญาได้ทำความเข้าใจได้ว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนินจะพากันปล่อยวันเวลาทิ้งชะดายเวลาทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเขาเรียกว่าทุกขณะ ทุกขณะปัจจุบันธรรมจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจของเราเราจะไปแสวงหาที่อื่นไม่เจอแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบประกาศมาตั้งหลายร้อยหลายพันปี การทำใจของเราให้สะอ า, เอ า, า, ด, เาเดเป็นอย่างนี้การขัดเกกิ่ลนเป็นอย่างนี้กิเลสนหยาบเกลืละเอียดเป็นอย่างนี้การแยกรูปแยกนามการทำความเข้าใจแยกแยะความอยากเป็นอย่างไรความหิวเป็นอย่างไรค่อยวิเคราะห์ค่อยพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาตัวเราพิจารณาใจเราไม่มีใครเขาจะทำให้นอกจากตัวของเรา การยังประโยชน์บุญระดับสมมุติวัตถุทานพวกเรามีโอกาสได้ทำร่วมกันอยู่ตลอดเวลาดังหลวงพ่อก็พาทาพาทำโน้นบ้างทานี้บ้างพาสร้างมหาเจดีย์เพื่อที่จะได้อัญเชิญพระประรมสาริกธาตุจากส่วนที่ท่านเสด็จมาได้รับความเมตตาจากคุณลุงทองดีถวายมาไว้ให้เยอะเลยทีเดียวแต่ยังจ ะ, ะถวายให้มาอีกอยู่ เมื่อสร้างเจดีเสร็จก็จะได้เอามาไว้ให้เป็นที่ักระบูชาของเรามนุษย์ของเราเทวดาทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตอันสูงส่งแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านให้ถึงจุดหมายคือความบริสุทธิ์ของใจความรุดพ้นของใจดังที่ในหลวงของพวกเราพาได้ประพฤติปฏิบัติมาจนกระทั่งวาระเวลาสุดท้ายของท่าน หมดลมหายใจพวกเราก็พากันสร้างคุณงามความดียังประโยชน์ถวายเป็นพุทธบูธชาถวายเป็นให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระปรรมโกุซึ่งท่านก็ได้สวรรคตไปก็ทุกคนก็อยู่ในความโศกเศร้าอะไรอววรในสิ่งที่จากไปสิ่งที่ไม่อยากจะให้จากก็ได้จากไป เพราะว่าเป็นกฎของไตรักกฎของความเป็นจริงย่งเพราะว่าทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ก็พัดภาคพัดภาคจากกันหมดไม่พัดภาคจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตอนตายเพราะเปิดเป็นกฎของใจรักกฎของธรรมชาติขณนะที่ยังไมีลมหายใจอยู่เราพยายามทำความเข้าใจให้รู้ให้เห็นเตรียมตัวเตรียมพร้อมถึงจะไม่ได้ลาบากในวันข้างหน้าต่างใจรับผกัน เฮอธาวะริวะหาปูราปาริปุเรนติสาการังเฮวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติยิชิตังปัจฉิตังตุมหังชิปะเมวะสัมมิตสตุสัพเฮปุเรนตุจังกะปา อันโธปนรสยะธมนิโชติรสยะธรรมนอนจรดุสสปุโรโเวนาสตุมาเตตระไอโอสุขีที กายโยคุภาภิวานิลิสานิจังวุธาปชายนจาตตารมาวัตติอายนุสุขังป ตสัพพมังฆังลักขันตุสัพวัตาสัมภูธานุภาเวนัสธาสดทธิด เตวันตุสับพมังคลังลักขันตุสับวตดสัมปัมมานุภาเวนัสธาโสธิพาวัน ดูสามพมังคลังรักขันดูสามพะเทวะตาสามพสังขานุภาเวนัสธาโสติปวันตุตง ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของตัวเราเองให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายหยุดความนึกคิดต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเราหยุดไม่ได้เด็ดขาดเราขอให้หยุดขณะที่เรากําลังนั่งอยู่นี้แหละฟังไปด้วยโน้มสําเนียบไปด้วย ลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆพยายามฝึกลู่ลมหายใจให้ชัดเจน ตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็สร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าหายใจออกจะลุกจะก้าวจะเดินเราก็มีสติรู้ตัวจากหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งจนเป็นนาทีสองนาทีสานาทีเป็นหานาทีเป็นสบนาที ความต่อเนื่องความสื บ, สบต่อนั่นแหละเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะลมหายใจเขาออกขณะที่เรามีสติรู้กายอยู่ส่วนการเกิดของใจนั้นมีอยู่เดิม <c oughs> การเกิดของความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดนั้นก็มีอยู่เดิมถ้าเราสังเกต เราก็จะเห็นเห็นการเกิดของใจเห็นการใจคลายออกจากความคิดซึ่งเราแยกรูปแยกนามคลายความหลงในขันห้านี่แหละเขาเรียกว่าหลงในขันห้าในระดับหนึ่ง แล้วก็ตามเห็นการเกิดการดับเราว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้ส่วนใจนั่นก็ว่างว่างรับรู้อยู่ตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจเข้าถึงแล้วก็เห็นการเกิดการดับเวลาเขาจบความพิษ จบไปอนัตตาก็เข้ามาปรากฏเราก็าสติปัญญาตามดูเวลาเขาจบแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาให้ใจรับรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกเรื่องแต่เวลานี้กำลังสติของเรามีน้อยแต่มีตั้งแต่กำลังบุญ สัทธาบุญการทําบุญให้ทานพื้นฐานของการเจริญปัญญาแต่ขาดกําลังสติืที่จะเข้าไปวิเคราะห์หาเหตุหาผลเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลว่าทํำไมใจถึงเกิดทําไมใจถึงหลงกิเลสอยากเป็นอย่างไรกิเลสละเอียดเป็นลังไรนิวรธรรมมณฑินต่างๆซึ่งมีอยู่ในกายของเราเราอาจจะรู้ตั้งแต่ชื่อแต่เรายังไม่เคยเห็นลักษณะอาการหน้าตาที่ เขาเกิดที่เขาดับอาการของเวลาใจปรุงแต่งใจเกิดเรารู้เมื่อเขาเกิดไปแล้วแต่ไม่เห็นต้นเหตุที่เขาเกิดไม่เห็นตัวตนของตัววิญญาณในกายของเราเพราะว่าวิญญาณ น, นั้นไม่มีอัตตาตัวตนวิญญาณไม่เที่ยงที่เราแต่ในความไม่เที่ยง แต่มีความรู้สึกรับรู้อยู่อยู่ในความว่างในความว่างมีความรู้สึกระรู้อยู่ลักษณะของวิญญาณในกายของเราอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาการสร้างประโยชน์การสร้างคุณงามความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดให้เรารีบทำ จะไปคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของทุกคนการทำบุญทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราปล่อยอนโมทนาสาธุมีความสุขมีความยินดีด้วยเราก็มีได้รับอ น, นิสงฆ์แห่งบุญ พยายามกันนะอย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไร่ที่นาที่ทำการที่ทำงานดูใจของเราเป็นหลักจเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราล้วก็ล่นออกไปสู่หมู่สู่คณะสู่เพื่อนสู่ฟุง้งสู่สังคมต่างๆต้องดีจากภายในเสีย ก, ก่อนแล้วก็ล่นออกไป ค่อยแก้ไขค่อยปรับปรุงจัดระบบระเบียบทั้งกายทั้งวาจา่าทั้งใจของเราแล้วก็มันสร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีใหย้ยิ่งขึ้นไปสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไม่เดินถึงช้าก็ต้องเดินถึงเร็วลมแล้วลุกขึ้นมาหมายแก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ใครใครยังจะทําอะไรในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ให้รีบทำํำ ให้ช่วยกันทำญาติโดมท่านในปรารถนาอยากจะมาตั้งโลงทานบันทียี่สิบก็ขอเชิญได้นะวันทียี่สิบที่จะได้เห็นยกข่าวที่จะดำเนินมาถึงวัดของเราที่จะมาแกะสลักประกอบกันเข้าเป็นองค์พระพุทธรูปใหญ่ ฝากเอาไว้ในมหาเจดีย์ของเราประมาณอีกสักวันที่สิบเ็ดสิบแปดก็คงจะได้ขึ้นเสาองค์มหาเจดีย์ ใครใครอยากจะมาตั้งโรงทานก็มาใครใครอยากจะนำน้า ม, มาบริจาคไว้ที่โรงทานก็ขอเชิญได้โอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดน้อมกายของเราเข้ามาช่วยมาอย่างกองบุญอันยิ่งใหญ่ฝากเอาไว้ในแผ่นดินเป็นสมบัติของทุกคน ไม่ใช่ว่าสมบัติของคนใดคนหนึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของทุกคนพวกเรามีโอกาสได้ร่วมกันหมดลมหายใจก็หมดโอกาสก็มีตั้งแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่อง ความสะอาดคมบริสุทธิ์คงใจของเราการทําบุญการให้ทานนี่จะเป็นข้าวพกข้าวหอ่อติดตามตัวเราไปในวันข้างหน้าส่งผลให้จิตใจของเราเข้าออถึงความสะอาดคมบริสุทธิ์ความหมดจดได้ไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วความเพีฉสละไม่มีการอบรมใจไม่มีาการฝักไฟการทนใจไม่มีก็ยิ่งห่างไกลบุญห่างไกลความสะอาดคมบริสุทธิ์ เราพยายามประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ให้ได้ตลอดเวลาจนกว่า มองเห็นน้นทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่ได้กลับมาเกิดกันการเจริญสติการเจริญปัญญาเราก็พยายามทําให้พร้อมเพียงทั้งสติสมาธิปัญญาต่อไปในวันข้างหน้าสติสมาธิปัญญาเขาจะรักษาโราเองถ้ายังสติสมาธิปัญญาให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราบริบูรณ์สร้างความรู้ตัวสร้างความรู้สึกรับรูก้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดนึง อยู่หลายคนก็เมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้อารมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกก็ทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันนะอะอากกันไว้พราป้อมพอมกันก็ไปทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรียบบด